สาธาชนมุทบริษัททั้งหลายรายการนี้ให้ชื่อว่ารายการซัพย์ใต้ดินเมืองกาญจน บ, บรุรีเป็นว่ามาตอนที่แล้วได้คุยกับพยาการกาญจนบรุรีถึงทซับขินในเมืองกาญจนบุรีก็ซั์ใต้ดินไม่ทันแยกจบก็หมดเวลาที่ก่อนประเดี๋ยวก่อนบรรดาท่านพุทบริษัท รายการนี้เป็นรายการธรรมะว่าทำไมจงนำนิทานมาเล่าสู่กันฟังแทนธรรมะก็ขอพูดตอบว่านิทานนี้เป็นนิทานมรณามรนานุสติกรรมฐานเพราะว่าคำว่ามรนานุสติคนนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ที่นำอภัยยาสมพัยยามาพูดเพราะว่าธรรมายาสมภ า, านั้นเป็นคนมีสเสียงมากหาทรัพย์สินได้ดี มีกำลังใหญ่สข้มแขของชาติสมัยเป็นหนุ่มก็เป็นนักรบต่อมาหนุ่มน้อยลงมาก็เป็นนักรักรักเสวงหาโชคลาภเป็นคนหาทรัพย์สินส่งแพร่คลัอของของราชการแต่ท่านนันหลายดัานนั้นต่างคนก็ต่างตายไปหมดให้ขาวันดาท่านพุทธบริษัทจงคิดว่าท่านที่เล่าให้เราฟังเวลานี้ท่านเป็นคม การเป็นพรมได้เพราะท่านตายจากความเป็นมนุษย์ทล้วก็ไปเกิดเป็นพมคนที่จะเป็นพรมได้เพราะสายสมาธิคือฌานสมาบัติถ้าเป็นนักนิยมการเจริญกรรมฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝึกการติดต่อกับเทวดากับพูดทีไพรนี่เป็นสมาธิสูงในการที่ใช้วิชาอยู่ยงกุพพันต้องใช้สมาธิสูง ที่เรียกคือว่าจำต้องปลุกพระปกตัวทุกวันทั้เชา้าและเย็นนั่นคือสมาธินักที่แต่ยันนักที่ชอบปลุกตัวขคือยึดถือพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เป็นสำคัญก่อนคือนึกถึงพระพุทธรูปนึงถึงพระพุทธหรือว่านึกถึงพระสงเป็ขนข้าอาจารย์องค์ใดอหนึ่งเป็นอ้าณาจารย์ของท่านแล้วก็ปลุกพระนั่นคือสมาธิการปลุกพระจะขึ้นปลุกตอบปุกปรับนั่นคือเพิงคาปิติไม่เก่ของต่ำ กำลังใจต้องถึงไปปีติที่เรียกว่าวิญญาปีติตอนจิตเยี่กเย็นนั่นเป็นพรนนาปีติเมื่อปีติเกิดขึ้นชั้นก็เกิดก็รวมความว่าท่านที่ตายไปแล้วท่านมีชาสมาบัติเป็นปกติก็รลงคาทุกวันพุทธชาพระตุวันต้องฝึกฝนทำสมาธิติดต่อกับเทวดาผู้ผีพรายต่างๆทุกวันวันนี้ก็่าเล่าเรื่องของท่านต่อ ก็ขึ้นที่ว่าทรัพย์สินนั่งไหลตอนตอนที่เก้าที่ผ่านมานี่ตามหลักใจเรื่องหนังสือที่มันที่เป็นเสียงเป็นตอนที่เก้าที่แลตอนนี้เป็นตอนที่ยี่สิบแปลว่าก็ถือว่าเป็นตอนที่สี่ของเล่มหกเป็นหนังสือเล่มหกที่ออันเล่นโอดก็มาถึงทรัพย์สินยังไม่ทันยายจบเวลาเขาหมดก็ขอคุยกันต่อไป ว่าในเมื่อท่านรําขึ้นมาแล้วท่านทำพิธีกรรมอย่างไหนแร่ทั้งหลายที่เป็นทองคําท่านยิ้มแล้วก็บอกว่าขอสงวนครับ <c oughs> การเวลายังไม่ถึงถามนั้นว่าการเวลายังไม่ถึงนะั่นหมายถึงอะไรถ้าบอกหมายถึงว่าประเทศไทยจะมีความมั่นคงไม่พอ ถ้าจะนําแร่ที่ขึ้นมาแล้วต้องมีความมั่นคงพอและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลานี้ต้องระมัดรวังคงไทยเราไม่สนใจในป่าชัดนี้มากสนใจแต่ไม้ไม่สนใจในแร่ก็ระมัดรวังคนที่เราคิดว่าเขางโง่แต่ความจริงเขาไม่งโง่เขามีความฉลาดใต้ภาคพื้นดินเขาจะเข้ามาขุดเอาไปใช้ประโยชน์ของเขา ถ้าถามว่าการขุดดินจะท่านจ้ทําได้หรือต้องใช้เวลากันถ้าว่าการขุดดินมันไม่ใช่ของแปลกแต่การตัดต้นไม้เปน็นพันพันท่อนคนยังมองไม่เห็นการขุดดินประเภทนี้ทําไมถึงจะมองเห็นเพราะอยู่าย่าดหรือเปล่าก็ผ่านไปถ้าถามได้ว่าการเวลาอีาอย่างหนึ่งมาคือยังไงก็มันบอกต้องคนของเราสมควร ถ้าคนของเราไม่สงควรจรยงทรัพย์ินทั้งหมดนี้จะไม่เป็นของคนไทยจะเป็นของชาวต่างชาติก็ต้องระมัดระวังบคุคคลบางพวกที่มีความชนานาญในป่าไทยแต่ก็ไม่ได้หมายถึงการเลี้ยงไม่ได้มายถึงมอนเขาเคยผ่านป่าไทยไปพมา่า คนนี้เขามีความรู้ในธรณีวิทยาดีเขาทราบทั้งหมดแต่ลีลาของเขากัะแสดงกับคนไทยก็เป็นของไม่ยากในเมื่อเขาจะบอกคนไทยว่ารู้จักที่ตรงนั้นไหมเดินเดินถูกไหมเขาจะไปดูคนขเขาที่ตายแล้วก็ฝังไว้โดยให้ค่าจ้างแพ ง, แพง เส้นชาวบ้านที่ไม่รู้อีหนุอีนีก็คิดว่าเป็นความสริงก็่าเข้าไปเมื่อพ า, าไปไปพบที่ตรงนั้นแล้วต่อม า, า, อากอัาจ้างคนขุดเพื่อจะทำอะไรสิย่างการขุดดินไม่ใช่ของแปลกแต่ว่าเนื้อดินทวันดาท่านผู้ฟังมีค่าสูงกระรงความว่าวิชาการยังคุยจะไม่ได้ท่านบอกขอให้ผ่านไปก็ขอผ่านไป ถามท่านตอไปว่าด้านซีกเหนือที่มีทรับหินเป็นทางยาวไหมท่านบอกยาวมากเป็นตอนตอนเป็นช่วงๆบางช่วงนี้จะไม่มีแร่บางช่วงจะมีแร่ถ้าทางที่ดีก็ก็กขอให้ทางราชการที่มีความรู้ด้านนี้ให้ใช้ธรณีวิทยาธรณีพิทยาสำรวจ แต่ถ้ามีความเข้าใจว่านักธรณีวิทยาเนี่ยเขาจะทราบหมดแล้วแต่ยังทราบทราบสถานที่อาจจะเกือบหมดหรือเกือบจะหมดแต่ปริมาณทราบไม่หมดและจํานวนจริงๆทราบไม่หมดชนิดของแรกจริงๆทราบไม่หมดถ้าทราบหมดรู้จุดหมดจริงๆค่อยๆนํามาใช้แต่อย่าลืมนะว่ากําลังป้องกันสถานที่ให้มีให้มากแล้วก็ต้องมีความฉลาดหอ เพว่าเมืองการบรีเป็นเมืองหอมแล้วไมเพิ่มเทศไทยไม่เฉพาะการบรีเที่อื่นก็มีมากคุยกันต่อไปก็ถามท่านต่อไปได้จุดอื่นความจริงไม่อยากจะสนใจแรอย่างอื่นเพราะไม่มีความรู้สนใจจุดเดียวก็อย่างสองอย่างก็คือแร่เงินกับแร่ทองเอาแร่เงินธรรมชาติแร่ทองธรรมชาติขี้เกียจถลงุง เรื่อการถลุงเป็นของยากเวลานี้ต้องใช้โรงงานสมัยก่อนเขาใช้อะไรก็ไม่สราบที่เกียดถามกันไม่เอาํำบากเราเป็นคนที่เกี่แบบชุบมือเปิดก็แล้วกันมีไม่แลเงินก็แลทองท่านบอกเมืองการบุรีเจาะตรงไหนก็มีทองคํา จะ่าลืมว่าพื้นที่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของเหมืองการจริญเป็นทองคําแต่ว่าปริมาณจะมากปริมาณจะน้อยอีกเรื่องหนึ่งต่างหากในข้อที่สองก็ต่อสายเป็นบุญบา ร, รมีของคนคนทุกระดับชั้นต้องมีบุญบา ร, รมีพอโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเป็นคนทําเพื่อชาติและทําเพื่อชาติไทย ไม่ใช่รู้แล้วจะแนะนำให้ชาติอื่นเข้ามารวยความจริงแค่ขุดด้วยมือก็พอมีตื่นดาษถามวัที่ตรงไหนบ้างอำเภอไหนบ้างแต่ยิ้มยิ้มแต่บอกว่าผมพูดอย่างนี้มันก็ผิดะเบียบคือบ้างแล้วนะครับแต่ว่าพมเห็นว่ากาลเวลามันใกล้เข้ามาถามได้ว่าอีกกี่ปีจะให้กันอย่างหนัแกแทนรอยิ้ม ถ้าบอกดูน้ํามันก็แล้วกันท่านรู้เรื่องน้ํามันตั้งแต่ปีหนึ่งแปดเทวดาที่ควบคุมน้ํามันก็บอกว่าจะต้องได้พศสองพันห้ายี่สิสี่ถ้าต่อมาเมื่อปีหนึ่งเก้าท่านขอบอกว่าขอพศสองพันห้า้ยี่สิบได้ไหมเทว ด, ดาบอกไม่ได้ในที่สุดก็ต้องไปปลายกฎการกับพศสองพันห้ายี่ิบสี่หรับทองคํานี้เป็นเรื่องหนัก ผมจะไม่บอกการเวล า, ากับท่านเขาสิเมียพูดกับเทวดาพูดกับผมต้องตรงไปตรงมาได้ยินท่านยิ่ใหญ่ความจริงรอเวลาตามสมควรเท่าที่การมีทุนมากสามารถให้คนค้นคว้าได้เมื่อสามารถค้นคว้าได้จริงกั็พบของจริงคนคว้าไม่ได้จริงก็ไม่ haha, พบของจริงพระอย่าเกี่ยวทำว่ายังไงวะบอกพระห้ามเกีก่ยว ไปซับสิงเขาไปดินไปเรื่องเขาไปดินเขา <c oughs> เอาละ่ะก็ขอผ่านไปไม่เกี่ยวก็ตามใจเธอะมาจะว่าอะไรขอต่อไปอีกแกต่อไปก็อยากจะทราบว่าไอ้ทองคําเมื่อเงินแรกทองคําเงินที่มันเป็นเม็ดทรายอย่างไปพบที่นิวซีแลนด์เป็นเม็ดทรายอารัมแบบนั้นตักกันแบบสบายสบาย มันมีในเขตการเจรบุรีไหมท่านบอกว่าที่เป็นเม็ดทรายจริงๆที่รวมตัวกันมันมีอยู่หลายจุดในประเทศไทยหลายแห่งแล้ววันว่างๆเขาจะคุยกับท่านวันนี้เราคุยเึงถึงการเจบรบุรีไอ้เขาลูกนั้นนั่นแหละท่านอย่าพูดไปเยเอ อ, อาร์ไปนะเขาจะหาว่าผมปากบอน ไอ้เขาลกที่สูงสูนั้นถือเป็นหลักใหยมันเป็นเขาแบ่งเขตด้านเลยๆไปทางเหนือเป็นแร่ที่ต้องนำมาผสมต้องเป็นแร่ที่นำถลุแต่ว่าทาได้ทิศใต้ถ้าพุ่งทางออกนิดหน่อยนั่นมันจะเกี่ยการพบแรกทรายที่เป็นแร่เงินเงินแท้ดันแรกของคาแท้แต่มันอยู่ไม่ปนกัน ถามปริมนบอกช น, นิดที่กาญจนบุรีเนี่ยที่มันเป็นเม็ดทรายที่รวมตัวกันมีกี่จุดถ้ามีจานวนมากถ้าบอกเอาจริงๆที่มากจริงๆมันมีสามจุดแต่ว่าเท่าที่ขุดกันไม่มีใครขุดในเขาที่แล้วมาขุดแต่พื้นที่ราบหรือเชิงเขาเทวาดาจะบอกสายของทองและสายของเงิน มันจะเป็นสายเมือนและสายแรกถ้าหากว่าเขาสามารถพิสูจน์ได้ว่าตรงนี้เป็นทองแล้วก็เสียบตัวท่านไหนมันหนา ค, ค่อยตามเข้าไปเวลาที่ขุดกันจริงๆแล้วขุะเศษของทองในส่วนนี้มันเป็นเศษแต่ว่าขุดกันนานเท่าไหร่ก็ไม่หมดก็เรียนถามนี่ว่าชาวบ้านเวลานั้นที่ขุดทองเงินจะจะไม่สนใจกันแล้ว ที่ขุดทองเขาได้กันวันไะกี่สลิงกี่ไผ่แกก็ตอบว่าใ้เขตของหลวงเวลานั้นผมก็พ่อกันที่ไว้สองหมื่นไร่ในเขตสองหมื่นไรน่ในระัาดรไม่มีคิดจะขุดเอาไปส่วนตัวเมื่อขุดแล้วต้องขายให้หลวงตามราคาที่หลวงกําหนดนั่นคือทองบสุทธิ์เยวทองเลือกเก้าหนักบายก็เก้าบาท ทองนี้มีเสียงเกียร์ปุเล็กน้อยเรือทองเลือกแปดหนักบาทให้แปดบาททองนี้มีเสียงสิ่งเกียปนมากหน่อยก็ต้องคัดกันอหนักบาทละหกบาทเทือทองเลือกหกแล ะ, ะดอที่ขุดอย่างคนขี้เกียจขี้เกียจเขาจะได้ประมาณวรรณสลึงบ้างสองไผ่บ้าง <c oughs> แล้วก็คนที่ขยายขยัน อาจจะได้ถึงบาทถึงเงินบาทถ้าบางคนไปเจอสายที่มีความสาคัญเข้าเป็นสายหนาอันได้สักสี่ห้าบาทก็มีแตนน่หนงคนแต่คนเวลานั้นถ้ามีเงินบาทาก็ขึ้นแล้วเพราะเงินบาทมีค่าสูงมากนอนกินไปได้หลายวันเป็นว่าคนก็มีความร่ํารวยมากนี่ถือว่าเป็นสายนะ่ะเป็นเส้นสายของทองสายของเงิน เงินจะไม่โพดที่เก็บพูดราคาถูกก็ถามได้ว่าทางราชการไปทํำไมถ้าบอกเวลานั้นภาษีก่อนไม่เก็บกันไม่ไหวเรื่องสงครามมีมากเปนเมื่อคนต้องเข้าสงครามบ้านช่องเขาขาดผัวขาดพ่อจะไปเก็บภาษีก่อนไปยังไงก็เวลานั้นคนก็มีไม่กี่คนน่ะ้างราชการจะเสื้อวุฒจะเสื้ออาหารจะอะไรก็ตาม เรื่องสงครามใช้เงินมากก็ต้องใช้แร่เงินกแร่ทองนี่แหละเอาเป็นเครื่องช่วยแร่เงินก็ไปทําเงินแท่งซื้อของแร่ทองก็ไปเก็บสํารองแล้วขายชาวต่างประเทศถามว่าเมื่อตั้งขายทาชาวต่างประเทศต้นการขายบาท้เท่าไหร่ถ้าบอกว่าขายบาทละสิบสองบาทเป็นทองแท่งแต่ซื้อจากชาวบ้านบาทละเก้าบาท มากมายเหมือนกันรวงความมันสมัยนั้นทองมากแต่าบอกว่าทองไม่มีแต่การยนต์ บ, บุรีนะก็ะว่าจะไปทีว่าเอาจุดนี่แหละตรงไหนที่มีทองแท่งมีมีทองเป็นไม่ดใสท่านบอกอยาถามว่าตรงไหนสิผมพูดเท่านี้ผมก็แย่อยู่แล้วอะไรผมจะบอกนั้นก็ได้บอกมันมีเขาสารจุด จะคิดเป็นลูกไม่ถูกมันเป็นเสืออเขามันมีเขาหรือสามจุดจุดหนึ่งเด่นออกมาจุดแรกต้านที่เหนือเขาหน่อยเด่นแหลมออกมาหน่อยอีกสองจุดอยู่ในเรือนเสืออเขาธรรมดาทั้งสามจุดมีมีแร่ทองคำแร่ทองคำบริสุทธิ์ที่เป็นเม็ดายถ้าเจาะลงไปได้ที่นั่น ก็ต้องจะดูปริมาณให้ดูเขาสูงจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเขาสูงที่มีแรกดีบกเขาเจาะลงไปแล้วก็ตัดเอาเฉยๆจากดีบกุกยันที่ดันแล้วเขาสูนตัดดีบกชั้นใดเขาสายเขานี้ก็เหมือนกันจุดที่จะะองไปก็จะตัดตงคําได้แบบนั้นจะกอบโุยกันได้ตามปกติ ถ้าถามว่าทองคำเนี่ยจะนำขึ้นมาได้จริงๆมากน้อยเท่าไหร่มีปริมาณไหมเอ็งก็ตอบว่าสูงแล้วตเกวดดาดีเขาควบคุมถ้าเห็นว่าปริมาณพอสุกคนเขาก็จะยับยั้งให้เห็นทองคำเป็นเป็นอย่างอื่นไปอาจจะปดินไปก็ได้เลิกแต่ว่าถ้าจะนำมาใช้เจริงๆ สมมติว่าเอามาได้จุดละหนึ่งตันต่นอหนึ่งวันอะไรกันสามจุดสามตันยานี้สักกี่ปีจะหมดถ้าบอกว่าจุดละหนึ่งตันนดทําไปประมาณพันปียังไม่รู้สิกเลยเพราะมันไม่มีเฉพาะจุดมันเป็นถ้ายาวเหยียดลึกลงไปได้ดินแต่ใครจะกล้าจำบินลงไปใต้หวกเขา กระความว่าทองมีมากจริงๆการเวลาบรรดาแทนพุทธวิษัตถ์ถ้พูดมาตอนนี้นนก็นึกกึงมันได้บรรดาเท่านั้นหลายการพูดเรงนี้มันก็ไม่ใช่ตำนานไม่ใช่ประวัติศาสตร์เป็นการคุยกับผีแล้วคุยกับโคตรลมที่ท่านมาให้เห็นนั้เห็นเป็นตัวเป็นตนตมีเนื้อมีหนังอ ย, น อ, อย่างเราธรรมดาถ้าถามว่าเชื่อยังไงก็ต้องตอบว่ากุฏิใสกรอน ในเมื่อเส่กรอนนอนกลางวันภาวนาอยู่คนเดียวมีคนมานั่งข้างๆแล้วมันนั่งบนเตียงซะด้วยเตียงนอนอย่างนี้ถ้าคนธรรมดาเข้าไม่ได้เมื่อคุยรเรื่องทอนจบก็ถามได้อีกว่าเวลานี้เพื้นรา บ, ร, บรัศดรจะทอทําได้ไหมเจ้าก็บอกว่าไม่เป็นไรเวลายาขุดกันเนี่ยให้ยอมรับนับถือเจ้าของที่เขาสักหน่อยจญาสักได้ว่าไปขุด ถามว่าเครื่องเสงเวยต้องใช้อะไรมากไหมท่านบอกไม่จำเป็นมากเอาอย่างนี้เราแล้วกันให้ติดต่อเวลานี้คนที่มีธิศขยานมีเยอะเห็นพูดปีพลายเห็นพมณันเจาวดาดเห็าไดเห็นพรมนะันมีเยอะให้เอาจิตยอมรับนับถือเขาตรงๆต้องมีจิตไม่ร่วมกับโอกาทานทําใจสมัยระงับนวนห้ามอาการเสียก่อนเล่าถามท่านโดยตรง ท่านจะชี้จุดว่าตรงนี้ขุดได้ตรงนี้ขุดไม่ได้ถ้าถามเรื่องพื้นแผ่นดินท่านบอกไม่จําเป็นต้องดูดินพิชาดูดินเป็นเรื่องขอ ง, รงธรณีวิทยาพิชานี้ไม่จําเป็นต้องดูดินก็ยขอบพักจำตอนนี้ขอยย้อนไปถามนี่ว่าท่านพญาการจนบรุรีพิดาของท่านตามหนังสือบนลมโลกเที 6, ยวเขียนเขาเท้าเขาบอกว่าเป็นคนจน ท่้โก็ทะเลาะกันบอกว่าคุณพ่อไม่ไดจนครับคุณพ่อมีเงินจริงๆหลายพันชั่งไม่ได้จนตามเขาว่าถ้าถามนะว่าคุณพ่อตายระยะไหนถึงสมัยพระเจ้าสามพระยาไหมก็เลยบอกว่าคุณพ่อตายก่อนพระเจ้าสามพรยาจะถล่มราช แต่ว่าชอบพอ่อพระเจ้าสามพญามากต่างคนต่างเคารพกันคุณพ่ออายุแ ก, แก่เจ้าพระเจ้าเจ้าสามัญ์มากครับปลายสมัยพระยาอินในคุณพ่อแก่ลงไปยุคประมากสิบเกือบหกสิบปีตอนนั้นขึ้นกับป่วยท่านเคยร่วมรบกับพระเจ้าสามพญานในสมัยที่เป็นพระราชโอรสทั้งสองท่านมีการรักกันมากขณะที่พ่อป่วยพ่อป่วยขั้งสุดท้าย เ, าเรียรวทุกครั้งก็เลยกัน เอาครั้งสุดท้ายที่ป่วยหนักพระเจ้าสัมพยาจึงเป็นพระราชโอรสไปเฝ้าไข่ไม่ใช่ไปเยี่ยมไข่ <c oughs> ขนาดไปเฝ้าไข่ขนาดที่คุณพ่อป่วยอาการดีขึ้นบ้างท่านให้ท่านก็เล่าควาป็มาพระเจ้าสัมพยาฟังว่า อ, อะไรควรจะทําแบบไหนสัพยกขินมีที่ไหนวิชาการต่ตามการทาทอดท่านไปขายทอดพระเจ้าสัมพยาอยู่มาก ในที่สุดท่านก็ต้องตายแค่ก่อนเสียตายท่านทำอย่างนี้เหมือนกับท่านจะรู้เวลาตายของท่านวันรุ่งขึ้นจะตายวันนี้ท่านสั่งลูกสั่งหลายคอยนำพระพุทธรูปมาตั้งแค่ที่ให้ท่านมองเหินจิตใจจับภาพพุทธรูปเป็นสบายใจพอสบายใจแล้วท่านบอกว่าวันพรุ่งนี้ให้มีมนพระมาเก้าองค์เวลาเช้า จะขอถวายสนงฆานมาพระมาถึงแล้วก็เอาแค่ให้ถวายให้พรพระสวดพรพระในการนในขณะที่ท่านสั่งพระเจ้าสัมพญญาเขาอยู่พระเจ้าสัมัญญาก็บอกให้ทราบว่างานทั้งหมดท่านรับเป็นภาระคนเดียวเป็นนั้นว่าพ่อจะลุกขึ้นกราบพระเจ้าสัมพญาในฐานะเป็นราชโอตมีความดีพระเจ้าสัมพญามือกดตออกไว้ เ่าเรียกว่าคุณลุงไม่ต้องกลับคุณลุงไม่ต้องกลับแต่ความจริงคุณพ่อขออนุญาเจ้าอินทราชามากคุณลุงไม่ไมจาเป็นต้องกลับเท่านี้พอแล้วตั้งแสดงความรักต่นพระเจ้าส ม, มัยยาในที่สุดถึงวันเวลาพระเจ้าส ม, มัยยาจัดเสร็จเป็นเจ้าภาพทุกอย่างแล้วในที่สุดให้เขาตาย ในฐานะที่ผมเป็นพรมเลยเขารับสยาการยะบริณฑ์ท่านบอกผมก็บอกตามความเป็นจริงว่าคุณพ่อนะ่ยไม่น่าจะไปพรมแต่อาศัยวเวลานั้นท่านเป็นชานกําลังเข้าชันดันทั้นขึ้นไปเป็นพมก่อนจิตใจเวลานั้นจับภาพพระพุทธรูปมั่นคงมากจับภาพประสงค์มาก มั่นคงมากจับภาพฐา น, นในการถวายท่านท่านัดในการถวายสังฆทานพรนิยมมากทำไปไหว้สังฆทานในเรื่องการให้ทานเรื่องนี้เป็นปกติคนยากคนจนเจอหน้าที่ไหนให้ทานทีนั่นท่านรวยพระที่จนท่านซื้อทองคําประาาชาบรรดาประชาจนกหาทองคํานอกเขตหลวงไม่ได้แต่คือซื้อในธนาคารหลวงซื้อไม่ตัดเลยอน แต่เวลาท่านอยากขายท่ขายให้ชาวต่างประเทศท่านได้12บาทท่านซื้อ9บาทท่าเป็นคนรวยไม่หนักคือไม่หนักใจเรื่องทารเ ง, งินกานทองอาศัยที่ท่านเป็นผมตะกิตใจท่านนิยมพระเจ้าสามพยาขึ้นไปเป็นพรมได้แลปลบเดียวก็ปลายกว่าจดติออกมา เข้าสู่คันเขาพระเาจายาเขาพระเจ้าสาัมปญานี่โรมพูดเนี่ยแค่จริงก็ไปเรื่องพรมเรื่องนี้ทั้งหมดขบันดาท่านพุทธบริษัทยาถือว่าเป็นความจรงิงให้ถือว่าเป็นนิทานเล่าสู่กันฟังเพาหลักฐานไม่ได้จากว่าเ อ, อิญท่านจะได้คิดผู้ยายนก็ดีจะได้ยานต่างต่ง อ, อกราตามจะลองพิสวอยูก็ได้ โดยเฉพาะไทยจะวิสวดจริงๆให้วิสวดเรื่องทองคําำในเงินในเมืองกาญจนบุรีจะดีกว่าท่านก็มาเกิดเป็นลูกของพระเจ้าสามพญาเป็นลูกผู้ชายและต่อไปจะเป็นใครท่านพรมท่านไม่บอกต้องบอกเวลาหมดแล้วท่านเหลียวดูนาฬิกาต้องบอเวลาอีกสองนาทีราการนี้เรียกว่าราการธรรมะ ขอให้ท่านพุทธมสัสสนิดหน่อยก็ขอพูดบรรดาทุกภัตไวยสัตว์ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงท่านเาต้องสังเบญาท่านเบ ย, ยาที่มีความโล่งเรืองมากแต่ใ น, นที่สุดท่านเราหลังตายมันไม่เที่ยงแบบนี้เราก็เหมือนกันต้องตายเหมือนกันทุกขังทรัพย์สมบัติที่ได้มาด้วยความเหนื่อยยากแต่ความจริงเรามีความจําเป็นต้องหา ถ้ามีชีวิตยอยูต้องหาทรัพย์สินมาเพื่อใช้ไม่ใช่ความจาเป็นแต่มันได้มาได้มาด้วยาการรับความทุกข์ถ้าทรัพย์กันไหลก็ไม่สามารถจะระ ง, งับความทุกข์ได้เนือว่าการป่วยไข้มาสบายเกิดขึ้นทรัพย์ก็ห้ามป่วยไม่ได้และในที่สุดอนัตตาทรัพย์ทรัพย์ก็ห้ามความตายไม่ได้ก็โดงความว่าโลกนี้เต็มด้วยเหตุสามปรการคือเหนือนิจังความไม่เที่ยง ทุกอย่างไม่เที่ยงสองทุกขังเป็นโลกของความทุกข์สามอนัตตาเป็นโลกทั้งการสลายตัวไม่มีอะไรทรงตัวฉะนั้นขอบันดาลแทนพษษษษุทธวิษัทตรงตั้งหน้าเป็นใจคิดว่าขึ้นชื่อว่า ก, การเกิดเราจะมีการเกิดชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายในการเกิดชาติต่อไปจะไม่มีสำหรับเราอีกเราจะมีความมั่นคงในทางการบริจาคเพื่อนการกําจัดโลภความโลภ มั่นคงในการรักษาสินเป็นการกําจัดโทสะความโกรธมั่นใจในการภาวนารู้ยอมรับและผิดความเป็นจริงว่าร่างกายมีความเกิดแก่เก็บตายเป็นสุดเพื่อการตัดมวัวความหลงอลิยบรนดาถงพุทธวิสัชถ้าทุกคนตั้งใจตรงแบบนี้ก็มีหวังได้สนิพันธ์ด้วยเวลาบรรดาถึงพุทธวิสัชทุกท่านหรือเวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีก็ขอลาก่อน ขอความสุขสวัสดิที่พัฒนามงคลสมบูรณ์คุณผลยงมีแด่บรรดานท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี